เป็นความมืด อ, อยูอย่างนั้นโดอสม่ำเสมอไม่ปรากฏว่ามีความสว่างสวายเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างลมฟ้าอากาศนั้นเลยเพราะนั้นมนรตราสัตขึ้นมาเกิดจึงมาเกิดด้วยความมืด อ, อยู่ด้วยความมืด ตายไปด้วยความมืดและไปเกิดอีกก็ด้วยความมืดอพราะอะไรถึงมามืดมืดเพราะไม่รู้มาเกิดก่อนจะมาเกิดก็ก็ไม่ทราบว่าจะไปเกิดที่ใดสิ่งไปงนั่นแหลนเหมือนขุดบอลอะไรคำนองนั้น แ, แต่กรรมจะพาไปท่นทู ก่าวไว้ว่ากำมังสเตวิพัตติสดิดังหินัปปณีตังการเป็นเครื่องจำแนกเสียสัดตอนนี้นี่ดูซ้ำต่างกันหากว่าเราจะมาเกิดด้วยความสว่างสวัยด้วยความเข้าด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับเราเคยไปสู่สถานที่ต่างๆแล้วเราก็ไม่หลงทาง เราไปได้อย่างสะดวกสบายเช่นจากนี่ไปกรุงเทพจากกรุงเทพมาที่นี่เราเคยไปเคยมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปสู่ที่อื่นก็เรารู้คุยหมายป้ายทางอยู่แล้วเราก็ไม่ลําบากไปไม่ผิดแต่นี้นั่นเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้ ว, ต า, ลวตายเล่าไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนกี่พบกี่ถ่าด กี่กำเนิดของสัตว์ของบุคคลของอะไรก็แล้วแต่มันสับปนละคนอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนละคนภายในสัตว์แต่ละลายละลายจนนับไม่ทั่วเพียงลายเดียวเท่านั้นะ่ะที่เป็นความสลับซับ้อนซ้ํำๆตักขาดในความเกิดตายของตัวเองแต่เราก็ไม่สัาบได้ว่าเคยเกิดเป็นลายบ้างอยู่สถานที่ไหนบ้าง เป็นกําเนิด อ, อะไรบ้างได้รับความสุขความทุกข์ขนาดไหนบ้างมีอายุยืนนานขนาดไหนเป็นเรื่องที่จําไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ทั้งนั้นเรียกว่าไม่รู้เสฉยๆก็ได้เพราะมันจําไม่ได้ถ้าว่ารู้มันลืมนี่ก็พอเข้าใจว่ารู้เคยรู้แต่มันลืมเสียแต่นี้มันจําไม่ได้อันเลย มัน ท, ทั้งติดเราเป็นตัวการแต่ละคนละคนถ้าจะนำเรื่องการเกิดตายออกมาสู่ตลาดโลกนี้แล้วมันรู้สึกจะเป็นโลกเพี่ยงเรื่องของคนคนเดียวสัตวตัวเดียวก็ดีไปตายไหนเหยียบย่ำตั้งแต่ปลายชาติปลาชาติของตัวเองนั่นแล้วคนนั่งก็เกิดคนนี้ก็ตาย สับปนและคนกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ายมาแล้วไปที่ไหนที่จะมาเจอป่าช้าของสันโลกคุ่มืดบอดมีเหรอือไม่มีตายต้นต่ำต่อสากตายทับตายผมทั้งเขาทั้งเรามันเป็นแบบเดียวกันมาเรื่อความมืดบอดที่ไม่เข้าใจถึงเองเลยไม่เข้าใจร่วงของตัวเองนี่มันเป็นทางมองเดียวกันนี้มันเต็มโลกเต็มองศาลแล้วสถานที่ใดจะมาเหยียบป่าช้าของเขาและของเขาเหานั้น มันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักความจริงแหุ่ธรรมที่ท่านสอนไว้เลยอ่ะนี่ที่นี่เรียกว่าความมืดบอดมันเป็นอย่างนี้อ่ะทั้งที่รู้อยู่มันก็สักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นรู้วิธีทางเป็นมาของเรามีความหนักเบามากน้อยเพียงไรหนีอมีความสุขความสบายยังไง ในการที่ผ่านมาแล้วในพบความเหนืที่ผ่านมาแล้วพบนั้นพบนั้นพกนั้ น, น, นมาทางไม่มากก็พอจําได้บางทีน้อยกับเพลิงเชื่อพอที่จะพูดได้ว่าเออสว่างมาหน่อยนี่เพราะฉะนั้นจะมาเกิดที่นี่ก็ไม่ทราบว่ามาได้ด้วยไหนแล้วทําไมถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราเห็นดังตัวของเราเองนี่แหละมาจากที่ไหนที่มาปรากฏเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมานี่เราไม่ทราบเหตุผลมันมีที่จะให้มาเกิดเป็น อย่างนี้พอดีให้เกิดเป็นสัตว์ก็ดี เ, เกิดผลตามหลักของธรรมตามหลักธรรมชาติมีที่นี่เราไม่รู้ทีนี้เราจะเอาคําไม่รู้นี่ว่าเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายมาดืนกันอย่นี้มันลบล้างความจริงวันนั้นมันก็ลบล้างไม่ได้เนี่ยพ้ามันไม่จริงทานมันจริงก็ไม่เรียกว่าเรามืดบอด เพราะเราทราบตามความคิดนั้นนี่เราไม่ทราบเวลามาก็อาศัยกรรมซึ่งเเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เองหนา้าศาสนาที่เคยได้สัสมมาแล้วตั้งแต่บุพเพชาติเป็นระดับาหรับมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พอกจากนั้นอุปนิสัยของเรายัางมีอ ย, ยู่ภายในจิตใจเป็นบุญันดาลให้พบาศาสนธรรมอันเป็นประทีเรว้งไป สองแสนสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วพอจะเลยละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรและบำเพ็ญในสิ่งที่ควรส่รงเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรแล้วให้มีความจเจริญยิ่งขึ้นอในการข้างหน้าแม่เราจะไม่มีความสามารถที่จะแทงทะลุรูกลงไป ในพบแค่นั้นนั้น<ๆ>ก็อาศัยกรรมดีเป็นเครื่องแทนคารุเป็นผู้พาพาเก้าไปเป็นผู้พยิงเป็นผู้ชักตูงหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เราไปท่านจึงให้เชื่อกันเพราะเรายังไม่สามารถในตัวของเราเองเราต้องเชื่อกันถ้าสามารถแล้วคัมภีรกรรมก็หมดปัญหาไปดังพระพุทธเจ้าและสาธุท่าน ศักด์แต่ว่ิธียาที่ําในอัตภาพที่พ้นไปแล้วนั้นนับแต่ขณะที่พ้นไปแล้วคำว่ากรรมก็ไม่สามารถที่จะเหยียดย่นทําลายจิตใจงท่านได้อีกต่อไปจึงว่ากรรมไม่มีปัญหาท่านผู้ทืนนั้นแล้วแต่เรานี้ไม่ยังไม่มีความสามารถขนาะนั้นจึงต้องอาศัยการสร้างความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นผลพิษอันดีงามเป็นทางที่ถูกต้องให้เราได้อาศัยเกาะไปกับสิ่งที่ดีนั้น อาจารึงสอนให้บำเพ็ญความดีนี่หลักใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะสารโลกอย่างไรก็ต้องหนีกรรมไปไม่พ้นเมื่อกิริยาความเคลื่อนไหวยังมีอยู่ตราบใดการสร้างกรรมยังมีอยู่ตราบนั้นและเมื่อการสร้างกรรมยังมีอยู่แค่นี้แล้วเราจะปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเรองสุขเรงทุกข์ไม่ให้มันเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้สร้างผู้ทําอยู่แต่นี้มันเป็นไปไม่ได้มีหลักธรรมชาติอันแท้จริง เพื่อหาความจริงหรือเราเป็นผู้สู้กรรมเราทุนอุตสาห์พยายามที่จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามดังที่เราทั้งหลายเราบำเพ็งกันอยู่เวลานี้ไม่ว่าฝ่ายนักบวชไม่ว่าผู้พนักศักษาทัา้งหลายที่มาก็ต้องมีความลำบากต้องฝา่าฟื้นเพราะอยากดีอยากรู้อยากได้ของดี ซึ่งเป็นทางที่ทอบตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้วิริยะวิริยะมีความทเทาเทียนคันติความอดความทนบึกบุญวิสาพยายามอยู่เช่นนั้นถือว่าสิบมีครู่เราจะได้อาศัยอันนี้แหละเป็นเครื่องคุยงจิตใจของเราให้เข้าสู่ระดับนันสูงแต่เป็นความสว่างไปด้วยอำ น, นาจแห่งกุศล กุศลนี้ทาให้สว่างไปหากเรามีความสามารถที่จะทำแสงสว่างคือปัญญายาณให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของเราในทตินี้ก็ยิ่งดียิ่งจะประจักษ์เกว่าสว่างไปอย่างเต็นที่เหมือนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นผู้สว่าง แทนพระครูตกงไปหมดไม่มีนอนไนเหลือที่จะปิดบังได้ตามหลักธรรมท่นมานว่าวันสี่แยกเป็นสี่แหนสีพประแพทตโมตะมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปนี่นนนตโมโทติปรายโนมืดมาแต่สว่างไป โชติโชติปราญโญทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปนี่หมายถึงความสว่างเมื่อคู่สนเลือกการกปกติตัวคำมืดมามืดไปนั่นก็ถ้าเกิดก็สักแต่ว่ามาเกิดเกิดแล้วเพีงแต่ร่างเป็นมนุษย์ปิตใจที่จะใฝ่ต่อบุญกับคู่สนเสื่อมต่อบาปต่อบุญนั้นไม่มีเลยเรียกว่ามืดมาก็ามืดมาอย่างนั้นเนี่ยดูก็มืดดูไปก็มืดไป หาสิ่งที่จะสมหวังไม่มีภายในบุคคลคนนั้นทั้งๆที่ก็หวังอยู่ภายใ น, ในใจิตใจแต่สิ่งที่จะสนองความหวังนั้นไม่มีเพราะมืดมามืดไปผูมืมดมาสว่างไปเช่นผู้เคยทําความตรวดจะหายไม่ดีได้งามมาแต่ก่อนเนี่ยพอรู้สึกตัวแล้วกลับตัวประพฤติตัวเป็นคนดีต่อไปก็คือว่าเป็นผู้มืดมาแล้วสว่างไปอืม ผู้สว่างมาและสว่างไปโทติโชติปรายโนหมายถึงยวลา ม, มาเกิดอั้งตเริ่มแม่รู้เดียงสาภาวะมากอพยายามทาแต่ความดีด้วยมาจนกรทั่งอวสานแห่งชีวิตตั้งแต่ต้นมืดมาสว่างมาสว่างไปเรื่อยนี่แยกในหลายประเภศที่แสดงจากต่างเอกเทศเท่านั้นที่อธิบายนี้ไม่ใช่ใบแต่แจงไปทุู้ก่อแหนมแสดงตั้ง แต่เพียงว่าหลักใหญ่พอให้เราได้นามาพิจารณาคาว่ามืดนั่นมืดเพราะอะไรมืดเพราะที่เด่นศาสนาอาสวะมืดเพราะบาปอกุศลคำว่าสว่างนั้นสว่างเพราะธรรมคือคุณธรรมคุณงามความดีมีฐานชินภาวนาเป็นต้นนี่เป็นความสว่างด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยคุณธรรมเหล่านี้การคุณธรรมเหล่านี้มีณณรรมากก็สามารถที่จะแทงทะลุในปัจจุบนันชาติ ตัดขาดจากวัฏฏะคนทั้งหลายท่าพ้นไปได้ในประจากษ์กิจใจตนเองดังพระพุทธเจ้าของพ้นและสาวงข้างหลังท่านพ้นเห็นประจากษภายใน จ, จิตใจที่เป็นอันว่าหมดปัญหาท่านเหล่านี้ท่า น, เ ป, นเป็นท่านที่หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงบรรดาปัญหาของโลกทั้งหมดในสามโลกนี้ไม่มีในท่านผู้เป็นเช่นนั้นสำหรับเรานี้เป็นพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้แบกปัญหาทั้งหมด เป็จึงเป็นภาระอันใหญ่แต่ปัญหาทั้งสามโลกนี้คือภาระจิตใจของเราดังนั้นจึงต้องหนักไป อ, อยู่ในสถานที่ใดก็ไม่พ้นความทุกข์เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเพราะปัญหายังมีอยู่ที่ใจคําว่าปัญหาต้นเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของกิเลสมีอยู่มากน้อยภายในใจก็ต้องสร้างปัญหาขึ้นมาจนได้การสร้างปัญหาขึ้นมาก็ต้องทําให้เกิดความทุกข์ความลําบากเกิในพภพชาตินั้นอยู่โดยดี ถึงจะไม่มีมากคำว่าทุกข์ใครก็ไม่ต้องการผ่านมาเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ไม่สะดวกภายในจิตใจเช่นเดียวกันแม้ป่าทันงหลายท่านเป็นตำเนธที่เราเป็นชาติที่เหมาะสมและอยู่ในวาระในวัยที่เหมาะสมอยู่ล้วด้วยถ้าลกลไกยไม่ขาดตกบกพร่ขของอันใดหนูตากด็ดีจิตใจก็ไม่เป็นไม่บาทเสียจื่อศิริได้มาประพฤติสมมาจัง การปฏิบัติศีลธรรมรักษาศีลราธรรมนี้คึงชื่อว่าเป็นการบำบุ l ส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้มากและเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับลาดับคําว่าการส่งเสริมนั้นก็คือการบำบ u l ต้องจเจริญขึ้นโดยลําับลดับอะไรก็ตามเมื่อ้รับการบำบุ l o ย่อมจะมีความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีดินญาณก็เติบโตขึ้นแม้แต่ต้นไม้ก็ยังต้องเติบโตเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ าขาดการมงมงเชื้อถึงนั่นเป็นสิ่งที่จะเจริญได้และเสื่อมได้มันก็มีทางเสื่อมได้เหมือนกันจิตใจเราร้องหาความเที่ยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบว่าจิตใจร้องหาความเที่ยเหลือจากเจ้าของคือจิตใจหวังความฝุกอยากจะพ้นจากความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจความทุกข์เพราะเหตุใดก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่พอใจเลยอยากพ้นอยากดีให้พ้นไปได้ถ้าพอจะดีไปได้ในสถ า, านที่ใด หรือคู่ใดที่เฉพาะปวดเพื่องความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจของตนให้ออกได้หรือออกจากทางกายที่มีการเจ็บไข้ได้ปวดก็อยากจะให้ใบฟึ่งพาพู้นั้นให้ช่วยปวดเพื่องแต่นี้จำต่างคนต่างจําเป็นมีภาระเท่ากันหนักเท่ากันจะยกขอพร้องคนอื่นมาราบอีกก็ไม่ได้จะไปแบง่งหนักแบ่งเบาให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีหุงนมียตงจะ่บุบายช่วยสอนเงินไปนนนแล้วนั้นนี่เราพอจะทราบได้ว่าจิตนี้มีความ ร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอและจากตัวเองนั่นแหละโดยเฉพาะถ้าเราจะหาอุบายวิธีใดสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจให้หนึ่งสมความมุ่งหมายของใจที่ต้องการความตกเหตุใดใจจึงต้องการความสุขเพราะใจมีแต่ความทุกข์คอยหดขั้นดอยู่เรื่อยมาบางทีก็มากบางทีก็น้อยอย่างไรก็ตามก็ไม่พ้นจาก ทาระไม่พ้นจากสิ่งที่กด่วงจิตใจอันเป็นเรื่องของทุกท่านเลยก็มีเราเท่านั้นที่จะพยายามปลดเปลื้องสิ่งที่กดผีบังคับจิตใจให้มีความสะดวกสบายเฉพาะอย่างยิ่งมีความสงบเย็นใจในขณะที่ภาวนมามีสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจและพยายามแก้ไขเพราะโดยลำหนักความต้องการของใจนั้นก็จะปรากฏขึ้ น, นเรื่อย ปรากฏผลคือเป็นความสุขความสบาร์จนเอยมีสมกับใจมีเจ้าของเมื่อย่าร้องหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยขึ้นเดียวกับสัตยิ่งเข้ามาหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยมีสุนัขเป็นต้นมีใครจะกัดหรือใครจะฆ่าจะตีมีวิ่งเข้ามาพุ่งเจ้าของเฮมีจิตใจขอเป็นสมัติอันหนึ่งของเราซึ่งเราจะต้องช่วยเหลือพิจารณาแก้ไขแบบแปลง ให้อยู่ในความปลอดภัยอย่างน้อยกับความปลอดภัยมากกว่านั้นกับความเจริญก้กาวหน้าขึ้นไปโดยลําดับด้วยการตั้อบลุ่งานความดีอย่างไรเราก็จะต้องได้พึ่งเราอยู่โดยดีอัตราเหตุนโนนาผลนี้จะพ้นไปไม่ได้ในเวลาที่ขับเขา้าที่ขับขันพ่อก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแม่ยกไว้ไม่ปฏิเสธ แต่ไม่อาจสามารถที่จะปวดเพื่องไม่อาจสามารถที่จะช่วยเราได้ในขณะที่จําเป็นโดยเฉพาะตัวแท้ๆไม่ว่าพ่อแม่ที่ใครๆทั้งหมดท่านก็เป็นเหมือนเรานี่ยเราก็เป็นเหมือนท่านท่านจึงว่าอัตตาเหตุโนนัตโถจงต้องรีบพยายามช่วยตัวเองยกตัวเองหนักเบาขนาดไหนท่างตัวยกดูตั้งแต่บัดนี้เป็นยังไงจะยกพอยกไหวไหม จะยกตัวพอไหวไหมจากพุกจากความลําบากลาบนจากความกระทบกระเทืนในระหว่างกายกับติดเนื่อ เ, เกิดความเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาหนักเข้ามาหนักขามาเป็นไงจะยกไหวไหมสติปัญญาเราจะยกไหวไหมความเฉลี่ยฉลาดสามาร ถ, าารถเพียงแค่ไหนที่จะลบหลีกปีกตัวได้จากความทุกข์ที่ประดังมันเข้ามารอบตัวเนี่ยไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ชนแต่ไฟเราจะมีอุบายวิธีอย่างไรบ้างจะพอสู้ไหวไหมหนี่เราพยายาม ตวงยกตวงกจ้ของทดสอบเจ้าของเทียบเทียงเหตุผลเจ้าของว่าเป็นยังไงพอไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมตั้งแต่บัดนี้เรื่อยๆไปนี่เรียกว่าอัตติิคโนราโถพยายามช่วยตัวเองอย่างจ น, นกระทั่งเป็นที่แน่ใจพอแน่ใจแล้วปัญหาแล้วนี่ตกไปหมดเลยนี่เราเรียกว่าช่วยตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีปัญหาช่วยโดยทางจิตตะภาวนาพิจารณาตนเป็น เพราะทาละอันนี้หนักมากธาตุศึกอันนี้หนักมากขึ้งกว่า่าตศึกใด้า่าศึกในภาตุในขันธ์ถึงวนาจะคลายจริงๆโอ้โหเขย่าให้สะเทือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นคลายระดตามกันหมดทีเดียวถ้ามีเครื่องดับไฟอยู่ภายในจิตคือสติปัญญาสามารถพิจารณารอบข้อบให้สห็นเหตุเห็นผลแยกส่วนดังส่วน อ, อ่ำหน้าอย่าง ถ้เาเฟนมั่จักภายในใจผู้นั้นนหละคือว่าอาตัตตนิสตโนนาโถได้เป็มผูไม่ด่วดร้ อ, รอนอยกไม่ไหวอล้วเหลือส่วนที่ยกไม่ไหวก็ทิ้งซะทีน่นอันไหนที่ยกไหวแล้วอ้าจิตเนี่ยยกด้วยสติปัญญาไหวหผ่านน่นอันไหนที่ยกไม่ไหวธาตุฐานมันหนักพราราฮเวปันจักขันธาภรักพาราฮาโรจตุคโพรพาอันขันหานเป็นพาะาอันหนักนะ อ, อันที่หนักโดยปัญญาแล้วปล่อยมัน ถึงข้าจะปล่อยปจอยด้วยกันทุกคนจะหึงหวงไว้ไม่ได้อจอยให้ปล่อยด้วยปัญญาอย่าไปห่วงอย่าไปหวงหวงก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างควา ม, วามทุกข์ขึ้นเจ้าของเฉยๆเพราะฝืนเหตุฝืนผลฝืนหลักความจิงการปล่อยลงด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงปล่อยทามสภาพของความจริงนั่นแหละคือ ท, ทางเดินของสติทางเดินของปัญญาเป็นทางราบรื่นของใจงที่จะไปอย่างไม่อะไรหายไม่อะไรไม่ห่วงใหญ่เหรอหายห่วงนี่ ช่วยเจ้าของให้ช่วยอย่างนี้เขาบาตช่วยอย่างนี้พยายามช่วยตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปดังที่เราได้เคยช่วตัวเองมาโดยลำ ด, ดับอันไหนที่ขัดข้องข้ อ, ขอไหนอาศัยอุบาสกุบาอาจารย์มาเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเราเรายังไม่เข้าใจที่ตรงไหนก็าอาศัยท่านแนะนําเราเราก็ได้อุบายนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือแล้วดําเนินงานคือการพิจารณาของเราให้เข้า อ, อกเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่กับตนทันไม่จะไม่รู้เรื่องกันให้เข้าใจกัน สิ่งที่มีอยู่กับเราอย่างอื่นเรายังพอเข้าใจซึ่งนอกไปจากตัวของเราเรายังพอเข้าใจทําไมสิ่งที่อยู่ในตัวของเราคือรูปคือกายคือจิตซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่กระทบกระเพือมกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นค่าศึกกันอยู่ตลอดเวลาทําไมเราจะไม่เข้าใจเราจะแยกกันไม่ออกเราจะยอมให้สิ่งนี้ทับกันหรืออให้กระทบกระเพือนกันหรือทับผมกันให้แหลกเอยียดไปเลยมันไม่สมควรอย่างนั้น เราเป็นเจ้าของเราต้องพิจารณาแยกแยะออกหาทางหลีลกหลบภัยได้ด้วยปัญญานั่นชื่อว่าอัตตาเหตโนนาโถไม่ผิดเนี่ยทาบทนี้มีความสำคัญอย่างนี้ยิ่งเข้าตาตนเทา่าไรอัตตานิจโนนาโถจะมาทันทีไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นที่จะที่จะหวังให้ช่วยเราเรายังหวังอย่างนั้นแสดงว่าจะก่อความเดื อ, รอดร้อนให้ เ, เรามากมา เราไม่หวังทั้งหมดหาทุกพูดไม่ประมาทเราพูดตามความจริงพ่อกับพ่อก็ให้นั่งดีสบายาเรื่องของพ่อของแม่ของแม่ญาติวงสามีภรรยาก็ให้อยู่ตามสภาพของสิ่งนั้นๆในขณะนั้นจะไปกังวลวุ่นวายไม่ได้จะผิดจากหลักอัจฉริยะโนนาโขคนกําลังจะยกคนแต่ถ้าคนอื่นมายกแล้วคว้าจากคนอื่นนยุ่งไปใหญ่เลยพึ่งคนอื่นไม่ได้นั่นยิ่งเสียหลักถ้าเป็นเรือแล้วขัจม นนเพื่อความถูกต้องถึงวาระจำเป็นขั้นจริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยวานไว้ตามเป็นจริงสินใดสิงใดก็ทราบแล้วว่าสิงนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ให้ปล่อยตามสภาพเราจะไปขวางเวลานั่นเที่ยวเราจะไปขวางเรือปล่อยให้มันไหลไป อ, อันนี้เหมือนกัน คติธรรมชาติคติธรรมนานี้เป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องทราบเบื้อยปั ญ, ญาปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเราก็ผ่านได้อย่างสบายหายห่วงอย่างอัตตาหิจโนนาโถถูยังไม่เข้าใจคําว่าอัตตาหิจโนนาโถนี่คุณาพิจานาให้ดีนี่เป็นทำขั้นสูงไปโดยลำดับเหมือนขั้นตะขั้นต่ำทำทั่วทั่วไปนั้นอัตตาหิจโนนาโถตอนมีชื่อหนของตนนั้นแม้แต่คนใช้ถ้าไม่ดีแล้ว ตัวเองไม่ดีแจะไปให้ใครช่วยได้ละ่ะเะถ้าอยู่อาศัยกับใครก็ตัวต้องเป็นคนดีบอกนอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงฝ่าฟืนเป็นคนขายันมั่นเพีย้ยนเนี่ยถ้าตัวมีมีควเป็นที่พึ่งของตัวได้พอเป็นที่มั่นใจตัวได้คนอื่นก็สงสารคนอื่นก็ช่วยเหลือได้ถ้าตนของตนไม่มีแ ก, ใก่ใจที่จะพึ่งตนได้สักอย่างเดียวเลยไปที่ไหนก็เท่าเดิมเ <Yeah. S 2> นี่ยนี่ เรื่องการทำธรรมะภายในก็เหมือนกันอย่างนั้นเราพร้อมเสมอที่จะรับจะฟังจะท่านปฏิบัติตนแก้ไขตนเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์จากธรรมในบท ต, ต่างๆรูปต่างๆคัำพูดต่างๆี่ยพร้อมที่จะดําเนินตนไปตามหลักธรรมนั้นๆเหตุเราเป็นเครื่องมือของเราเขาพร้อมเสมพพอพอพึ่งตนเองได้ด้วยเครื่องมือพึ่งตนเองได้ด้วยการปฏิบัติพึ่งตนเองได้ด้วยสติปัญญารู้ดทอนเปน็นระนาบดับด้วยการพึ่งตนเอง หนักหนยเป็นอย่างนั้นสร้างความสว่างสร้างขึ้นที่ใจเพราะความมืดมันอยู่ที่ใจอากาศมืดเดี๋ยวนี้มืดวันพรุ่งนี้สว่างขึ้นมาได้จิตมืดมันสว่างไม่ได้ถ้าไม่แก้ไม่ตามไยคือสติ ป, ปัญญาสัปทาความเพียนเข้าไปหาจิตจิตไปหาความสว่างไม่ได้เพราะจิตไม่ใช่ดวงอาทิตย์จิตเป็นจิตจะสว่างด้วยปัญญา เราต้องพยายามสร้างความสว่างขึ้นภายในจิตอ้าวคือจะมืนมาค่อยสว่างไปนะหรือสว่างอยู่สว่างไปเป็นสุ ข, ขะโตก่อน ท, ท, ท, ทุกท่านนำปฏิญญาการแาสดงความคาเห็นคงกม่าเป็นขอกับวิตเพียงนี้น่ารัก